งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียบยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดาผ่านมางานของจิตนี้ต้องดใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆ ค, คำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหนือนกันขณะที่เรา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 ยันดีกว่าอย่างนี้เท้างขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภาณใิจิตใจคือทำความรู้สึกมีเียตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออ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 เฉร็์ออกทรงผนวดเบื้องต้นพระรัมยในเบื้องต้นเนี้ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสตาสอนโลกข้ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็นพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด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 สเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสีย ญ, ญาติอยู่กับพระมานาก็เป็นเหตุจะให้พระมานานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุขฆ่าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือ น, นกับหัวใจลอยไปเลย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 คิดดูตั้งแต่ขันะเสด็จออกทรงท่นหมวดเบิงต๋มจนกระทั่งถึงวันแรกสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความพลามามามากมายเพียงไรเพราะเป็นคนลโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า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 ทุกประเภทที่มีฝอังอยูภายในใจเหตุใด <c oughs> จะไม่รับความทุกขก์ความลำบากความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฟืน้นก้าเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้นในขณะที่กล้าเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในอยาบททั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลาบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้ง ท, งทงางด้านปิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกขอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสสรุแล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอนาปานนสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันหรือพระไทยที่ เต็นพระโลเียตะก่อนนั้นลกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็นดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความท น, นประชาชนก็ย่อมมีความต้นใจมากขึ้นเดิมนหะเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหา หลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจเพราะได้ยินจิตศัพทิคุณของพระองค์พอเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นดันก็ยิ่งเกิดความรงไก่มากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวิขึ้นมามากมายกลายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชน น, นั้นมีถึงมนมากมาเทียงใด นี่จะเป็นความทุกข์โดยลำบากแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงฆ์พระโลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่หลืออาสาะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความาเา่เพียมและพยายามที่จะหยุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบางธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยภายในพระไทยของพระพไทยเจ้า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 ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดําเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทยัยได้แจ่มัชฌิมาปฏิปฏาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยแล้วแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด ัท่าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแจ้พิเรททุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวามัชชินมาปฏิบาาัตจคืเรียกว่าเป็นถ้ำกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแจ่กิเรททุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไ ป, ประจับปัจมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่กล่องลำเนินตามหลักนั่นเล ย, ยงนี้นั่นเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องยึดหลัปฏิปทาจ ะ, จะยากจะง่ายจะลําบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถามทุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะ อ, อันทะุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเปนต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาขนาดไหนลบกลุงนำเทลิงลายก็ต้องถาก้องถังสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดำเนินปฏิบัติธรตามหลักธรรมี่พบุตรจงศรัทาธาก็ถือเอาเรื่องกิจใจขใจที่มีกิเลสยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยอย่างไรถ้ากิเกลสเ้านั้นหนาถึงมืดดำก ร, รมตาแต่จะให้มันเสเร็ จ, จ็สิน้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกอย่างเท่านั้นได้แล้ว ศาสนาก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอามาสอนโลกข้างหน้ามาพระพุทธเจ้าและสาวโบทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชชีมาปฏิปทาอิจีเยต้องเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากรบไปใส่ไม้ท้งต้นอืคนถากคนฟันคน ต, กตักลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใสยได้ถึงความเพียนที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลออให้เหมาะสมกับีิ เ, เลกประเภทนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนกักสลับเป็นสลัตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกั บ, บ ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรฐานนิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือฐานนิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดไปที่จะนาลายมันท่องแคลเข้าไปโดยําดับแก้กิเลสไปได้โดยระดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากไม้ลายนี้มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่านั้นเราจะได้ทาให้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางมันก็เปลีนไปม่ได้มันต้องหนักมือ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 ใ่มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนเห็นว่าทุกข์คำภีทุกข์คำพีสอนมาลง ท, ที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นอกองทุกข์คืออะไระก็คือกลองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกลองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากลองกกองทุกข์นั่นเองกําหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดี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 ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าสึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าสึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสําคำนั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิดนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นที่เดสที่ท่าเรียกว่าสมุทัยเป็นของผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่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 ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับันตามหลักความจริงว่านี่คือปาทิ า, าของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นากาบเมืองไปถึงคราวมันสลายเชาวจะเรียกเป็นบุกเลฐานว่าทายา ม, มาดูรานมาเอาก็ใหาไป นี่ก็การเมืองความจริงพย า, ยามัตุรานั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเสียไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปนั่นไม่มีอื่นใด น, นี่เมื่อยันตามหลับความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําปองอยู่ภายในนั้นเป็นท้ายให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่าง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 การสลัดสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อตอนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของจั่มีี่เลสเป็นตัวสำคัญเขาปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง มีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอบออกไปจากสิ่งเหล่านี้เนเราก็เป็นอิสระเสรีพร้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ่งนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรี พุทธรรมัตเสร์ีอิเธเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทาอันตรายแก่จิตใจองเราได้นะเมื mm ่อ hmm. ถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความกดเครื่องภลระอะไรที่ว่าลำบากระบบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทานนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยเฉยลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขละแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินฉระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนิน หรือหน้าทัมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความป ด, ดพ้นจากสิ่งกวด่วงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านยูอิสระมีจะ่ท่านพูดแบบโลกอมีแต่ความสง่า ง, งามความสว่างสไัวย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงทิศไปแล้วอ่ะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเพียงว่าติดปากเราพูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหลททะท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐเราะหลุดพ้นจากสิ่งตำแามทั้งหลา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 แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปรุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดกังวนถึงที่อันเสืมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปรุ้นไปรุ้นข้ามโลกทางแสงก้าวไปรุ่หนหมุอนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจันทร์นี่ความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปวดร่องแล้วมันก็เป็นความเสื่อม เป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี้หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงตึดแห่งความรู้นั่นเท่า น, นั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรกอกดขีบ่บังคับมาเป็นกีกับตีกันจนน้ำไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งงนั้นโลกนี้สมมุติคู่กันก็ไม่ทราบจะคาจะหมายอะไรเป็นทาเป็นกลุมหมายป้าทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําทังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาด่อที่จะปกป้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตนกลางเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอาลมอยู่โดยสม่ำเสมอจนีี ความสามารถนและฉลาดสิ่งที่อาภาัพออกไปจากนี่ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภาัพไปเกี่ยวเมื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภาัพก็อยู่กับจิตถอดกระเซอก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงออกลิกตัวออกเท่านั้น มันนี้การพยายามทประเสริฐชั่กลัวอันนี้รู้สึกเหนื่อย